ทีนี้ต่อไปเรามาเรียนเรื่องฌานใช่ไหมจะพูดถึงสิ่งที่มันเหนือมนุษย์ขึ้นขึ้นไปแล้วนะเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเหนือมนุษย์ได้อย่างน้อยต้องมีความเป็นมนุษย์ก่อนสุจริตสมต้องดีก่อนนะเรียกว่าความเป็นมนุษย์คือสุจริตสามนี่นะต้องดีเพราะว่าถ้าเจริญฌานาจิตเนี่ยพวกนี้คือเหนือความเป็นมนุษย์ทีนี้ผู้ที่จะเจริญเรียกว่ากุศลธรรมที่เหนือกว่ามนุษย์เนี่ยนะอันเนี้ยชั้นระดับฐาน ฐานหรือเหตุเบื้องล่างๆที่ต้องรองรับคือสุดจริญสาเนี่ยนะสุดจริญสาก่อนถือว่าสรุปว่ากายวาจาอาชีพเนี่ยนะว่าหลักๆอัน น, นีเพราะว่าสุดจริญสามมันจะมาเนี่ยปนเปื้อนอยู่กายวาจาใจอ่ะนะโดยมากไม่ใช่การงานของใจนะเป็นการงานของกายซะส่วนใหญ่การงานของกายและการงานของ วาจาแต่ถ้าผู้ที่เน้นมาฝึกจิตเนี่ยพวกนั้นจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งแล้วนะ่ยเพราะกลุ่มนี้จะเน้นรักษากายวาจาและอาชีพที่ที่เพราะความเป็นมนุษยธรรมเนี่ยโดยมากก็รองรับกันที่นี่แต่พวกนี้ก็นิวรกลุ่ม ร, มรุมบ้างเป็นครั้งคราวทั่วๆไปตามแต่เหตุปัจจัยตามสมควรเพราะไอ้สุดจริตสามอันนี้เนี่ยผู้ที่เจริญอนนีคือเห็นภัยของอันนี้ใช่ว่าโดยรวมๆก่อนนะ เพราะอะไรถ้าไม่รักษาสุดเจริญสาม ก, ก็เท่ากับปฏิบัติทูตจริตสามเพราะไม่มีใคร อ, อ, อยู่กลางกลางอ่ะนะไม่ใช่สุดจริตก็ไม่ใช่ทูจริตก็ไม่ใช่คือเว้นแต่ขณะหลับอ่ะนะเว้นแต่หลับสนิทอ่ะตรงนั้นอ่ะไม่ใช่สุดเจริญและทุจริตกินบุญเก่าเหมือนกันแต่ว่าปกติถ้าตื่นตื่นโย่เนี่ยสองอย่างนี่แหละอันไหนมากก็บอกว่าสลับกันเหมือนนรักษาชั้นเชิงหน้าดูนะบอกมันสลับกัน กุศลบ้างอกุศลบ้างธรรมดาเหมือนันนะยังบอกอีกธรรมดาใช่ก็ถามว่าเขาพูดธรรมดานี้ถูกไหมธรรมดานี่มาจากคําว่าธรรมนิยามว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละเช่นฝนตกก็ธรรมดาฝนตกแดดออกทั่วไปนี่ธรรมดาใช่ไหมไอ้ธรรมดาอย่างนี้เรียกอะไรปุตุนิยามอันนี้ก็คือธรรมนิยามเหมือนกันนะธรรมดาต่อไปอะไรอีกธรรมดาเห็นไนะ ก, ก็เกิดแก่เจ็บตายพวกนี้ก็ธรรมดาอีกธรรมนิยามนะอันนี้อันนี้เป็นธรรมนิยามนะพวกพวกธรรมดาธรรมดาแล้วก็ยังมีอีกจิตเนี่ยมันเกิดเป็นอย่างนี้แหละเช่นเนี่ยจิตเห็นจักรคูทวานวิถีโสตทวานวิถีอันนี้วิถีจิตก็เป็นธรรมด า, านะพวกพืชต้นไม้ใบหญ้าก็ธรรมดา แล้วมันมีอีกตัวหนึ่งที่ธรรมดาคือเรื่องกรรมมันธรรมดาอย่างหนึ่งอะพราะธรรมดาของทุจริตเนี่ยนะมันมันก็ธรรมดาที่จะให้ผลเป็นธรรมดาธรรมดาของทุจริญให้ผลเป็นธรรมดาคืออบายสี่เป็นธรรมดาเนี่ยหมายความว่าถ้าทุจริญสามบริบูรณ์ก็ยังอบายทุกขติวินิบาตนรกโดยธรรมดาตามหลักกรรมเนี่ยนะมันอันนี้ธรรมดานะ ใครจะรักษาธรรมดาอันไหนก็ว่าไปเพราะว่าคนที่เขานิยมธรรมดานเนขาก็บอกว่ามันธรรมด า, านนธรรมดาบางอย่างก็น่ากลัวเช่นธรรมดาคือทุจริญสามเด็นะสุเจริตสาเป็นข้อปฏิบัติเพื่อลบล้างทุจริสามโดยธรรมชาติันผู้ที่เจริญสุดเจริตสามคือบุคคลที่เห็นโทษของ ทุจริต3เพราะนั้นอย่างที่กล่าวไปว่าสุดจริตสมคื อ, อมนุษยธรรมเพราะนั้นมารวมทั้งเทวดาด้วยนะเทวดาทั่วๆไปนะการมาจรเทวดาก็ดำรงอยู่ด้วยสุดจริตสาทีนี้ <c oughs> ครั้งก่อนๆโ น, น้นเนี่ยนะได้กล่าวถึงว่าชาณาจิตเนี่ยจะค่อยบวกทีละหนึ่งนะไม่ได้บวกขึ้นพรุ่เดียว8หมดเลยไม่ใชอ่อย่างมากบางคนนะเช่น พอมหาวิบากเนี่ยเป็นปัจจัยแก่นะเจริญปฏิบัติดีมากด้วยกุศลเนี่ยนะเจริญกุศลจนได้ปฐมฌานแล้วเพียนพยายามอีกมากทาให้ได้ทุติยฌานด้วยฌานที่สองเนี่ยนะเพียนไปอีกอย่างมากได้ฌานที่สามเพียนไปอีกอย่างมากได้ฌานที่สี่เพียนไปอย่างมากอีกได้อรูปฌานที่หนึ่งเพียนอย่างมากอีกอรูปฌานที่สอง เพียนยัางมากอรูปฌานที่สามเพี้ยนอย่างมากอรูปฌานที่ที่สเนี่ยอันนี้ถ้าเดินสายสมถะล้วนๆจะเป็นลักษณะนี้ถ้าเดินวิปัสสนานะที่เป็นกุศลมาเป็นวิปัสสนาเนี่ยสลับกันกับสมถะวิปัสสนาคู่กันได้มรรคที่หนึ่งนะมันจะค่อยๆเพิ่มทีอย่างนี้นะเพี้ยนอีกอย่างมากได้มรรคที่สองเพี้ยนอีกอย่างมากได้มรรคที่สามเพี้ยนยังมากอีกจริงได้มรรคที่สี่ เพราะฉะนั้นไอจิตที่มันเหนือมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเพิ่มนพื่อเดียวแล้วได้เต็มหมดเลยอันนี้ไม่ใช่อยู่ที่ขีดความสามารถเพิ่มทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งเห็นไหเพราะว่าพวกนี้ไม่ใช่ถูกหวยเพิบเดียวรวยเลยไม่ใช่เขาค่อยเจริญเอาทีละอันทีละอันทีละอันทีละอันทีนี้เมื่อเราเข้าใจแล้วว่ามหากุศลที่เป็นฐานของ รูปาวจรกุศลเนี่ยซึ่งเกิดโดยลําดับทีละอย่างทีละอย่างทีนี้คนที่จะบําเพ็ญได้ประทมมาชานเนี่ยนะก็ต้องมีความความพิเศษอยู่ในตัวที่ไม่เหมือนคนอื่นที่ที่ไม่เหมือนคนที่ต้องการแค่รักษาสุขติภพอ่ะเนี่ยคือคือเพื่อที่เราต้องการแค่ต้องการเกิดในมนุษย์คืนเกิดเป็นเทวดาคืนพวกนี้ก็เห็นโทษของกายวาจาและอาชีพที่ ทุจริตเท่านั้นแต่พวกนี้จะมีอัธยาศัยที่ไม่เหมือนกับคนอื่นอยู่เรียกว่าอัธยาศัย6เนี่ยนะอัธยาศัยหเนี่ยต้องดีอัธยาศัยหซึ่งประกอบไปด้วย 1. อโลพัธยาศัยสองอโทสัทยาศัยเนี่ยนะอะโมหัตยาศัย4เนคขมัตยาศัย ในคำ ม, มัธยาศัยหวิเวกัฏ า, ายสายแล้วก็หก็นิสรณะนิสรณะตัวนี้อาจจะสำหรับทั่วๆไปก็ไม่แน่ว่าจะมีหรือไม่อันนี้ถ้าเอาชั้นมาตรฐานถ้าต้องการสมรถวิปัสสนาแล้วต้องการเป็นพระอริยนะต้องได้อันนี้น่นะส่วนอัฐยาศัย6อันนี้เนี่ยนะซึ่ง ปกติผู้ที่มีอัธยาศายอย่างนี้ก็เท่ากับเห็นโทษของโลภะเห็นโทษของโทสะเห็นโทษของโมหะแล้วก็เห็นโทษของกามเห็นโทษของการคลุกคลีเ้อานนอานิสระณะก็เห็นโทษของภพง น, น, นี่ต่อไปว่าผู้ที่จะเจริญสมถะ น, นะพื้นฐานต้องเห็นโทษของ โลภะเห็นโทษของโทสะเห็นโทษของโมหะเมื่อเห็นโทษของอกุศลธรรมอย่างนี้เนี่ยนะะแล้วก็มาเจริญคุณธรรมพิเศษเช่นว่าตัวโลภะอันนี้เรียกเท่ากับอีกชื่อหนึ่งว่ากามฉันทะเนี่ยนะเริ่มมาเจริญอะไรกุศลที่เป็นเนคข ม, มะเนี่ยนะกุศลธรรมที่เป็นเนคข ม, มะ เห็นโทษของโทสะคือพยาบาทมาเจริญอะไรเจริญอัพยาปาทะหรือเมตตาเนี่ยนะมากน้อยตามสมควรถ้าเห็นโทษของโมหะซึ่งหมายถึงอวิชชาเนี่ยนะอันนี้ก็มาเจริญญาณะเจริญญาณะ จะมีบุคคลที่เห็เหเหนโทษอย่างอื่นอีกไนหะเห็นโทษอย่างอื่นอีกคือเห็นโทษของถีนะมิทะแล้วมาเจริญอโลกะสัญญาเห็นโทษของอุทธจักกุกุจจะนี่นะด้วยอะไร ด้วยเรียกว่าอาวิเปหปณะเนี่ยนะคือความไม่ฟุ้งซ่านไม่ฟุ้งซ่านตัวนี้ก็หมายถึงพวกสมถะนั่นเองนะหมายถึงเอกคตาแล้วเห็นโทษของวิจิกิจชาด้วยการกำหนดธรรม ะ, ะแล้วก็เห็นโทษของอารติด้วยปราโมท อันนี้ถือเป็นคุณธรรมพิเศษของผู้ที่ตั้งอยู่ในมนุษยธรรมอันนี้ยังยัง อ, อันนี้ถ้าจะเรียกคุศลชั้นสูงหน่อยจะกลุ่มเทวธรรมก็ได้คือเป็นเทวดาทั่วๆไปก่อนนีนะหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าอุปจาระอุปจาระแปล ว, ว่าเข้าไปใกล้ชานเน่ยนะเฉียดชาน อันนี้คือคุณธรรมที่ที่จะต้องบําเพ็ญให้บริบูรณ์เพิ่มกว่าสุจริต ท, ทั่วไปเพราะฉะนั้นเวลาที่การ ม, มาฉันทะเกิดต้องแก้ได้เนี่ยนะพยาบาทเกิดต้องแก้ได้อวิชาเกิดก็แก้ได้ถีนมิถะเกิดก็แก้ได้อุทจักกุกุจักเกิดก็แก้ได้วิจิกิจฉาเกิดก็แก้ได้ อ, ดดอรติเกิดก็แก้ได้ผู้ที่แก้ได้อย่างนี้บ่อยๆก็คือเนี่ยจะทําให้อัตยาสัยเหล่านี้ค่อยๆ บริบูรณ์ขึ้นเนี่ยนะคืออัธยาศัยหเหล่านี้จะบริบูรณ์ขึ้น <c oughs> ทีนี้บุคคลที่จะเจริญฌานเนี่ยนะโดยเฉพาะปฐมฌานก่อนอันดับแรกเนี่ยน ะ, ะตัวอัธยาศัยที่คำหนึ่งถึงสูงมากคือนนี้เนี่ยนะเพราะบุคคลที่จะได้ฌานเนี่ยนะเขามีองค์องค์ของการละ องที่ต้องละอัะนนะี่เกเขาบอกว่าสังกัดจากกามเนีย่ยนะสงัดจากอากุศลเนีย่ยนะสังัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายะนะี่ยคือสังกัดจากกามและสังัดจากอากุศลทั้งหลายแล้วก็เป็นกุศลที่เนี่ยเกิดจากวิเวก นนเนะพราะได้วิเวกจึงสงัดจากกามสงัดจากอากุศลเนี่ยนะซึ่งวิเวกที่เข้าได้นั้นคือหนึ่งกายวิเวกสองจิตตะวิเวกแล้วก็วิขมพนะวิเวกเนี่ยนะอันนี้ น, นี่พูดถึงปฐมฌานก่อนนะปฐมฌานอย่างเดียวกัน มาย้อนมาหากุศลธรรมเหล่านี้ก่อนนะี่จะบริหารบริหารจิตอะ น, นะบริหารความคิดในในในชีวิตธรรมดาก่อนเพราะอย่าลืมว่ากุศลคืออุปจาระฌานทั้งเจ็ดอย่างเนี่ยนะข้อ1เนคขมมะข้อสองอัพยาปาทะข้ 3, อสเนี่ยนะอโลกัสัญญาข้อสความไม่ฟุ้งซ่านข้อหการกำหนดธรรมข้อ6 ยานข้อเจเนี่ยนะปราโมทมีเจดข้ออันนี้คือกุศลที่จะต้องบริหารในชีวิตให้ได้เดี๋ยนะโดยโด ย, โดยธรรมดาของบุคคลนั้นนะนะบริหารเพื่อเพื่อจะไม่ให้ติดในไม่ให้มีกิเลสกามติดข้องในวัตถุกรรมบริหารให้จํำรงอยู่ในเมตตาแล้วก็ไม่โกรธไม่ขัดเคืองเลยเนี่ยนะบริหารให้จิตนี้ไม่ถูก ทีนะความหดหู่ท้อแท้เสื่อมซมเนี่ยนะมามาครอบงาเลยแล้วก็ไม่ให้ความฟุ้งซ่านเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยนะให้จิตเนี่ยพื้นฐานสงบแล้วก็ไม่มีความสงสัยเนี่ยนะด้วยการกำหนดธรรม ะ, ะส่วนที่สำคัญเนี่ยนะอย่างข้อนี้ก็น่าคิดคืออารติอารตินี้แปลว่าไม่ยินดีในการเจริญกุศลอย่างหนึ่ง อย่างที่สองไม่ยินดีในการดีเกรนมันเคยไม่ใครอนะพวกพระเนมทั้งหลายอนะมาบวชเข้ามาบวชไหชักเบื่อแล้วไม่เห็นสนุกเลยนะอยู่ป่าไปเลยหลายวันเข้านะหมายวันแรกไปอยู่ป่าเออมันดีต้นไม้ก็เยอะนกก็เยอะเสียงก็เงียบนะเงียบวันหนึ่งสองวันสามวันเข้าโอ้ยทำไมมันชักไม่เห็นสนุกเลยนะ เห็นมีใครไม่เยี่ยมเลยเหมือนนนอะชักละเขาไม่มาเราไปก็ได้แล้กรุณาก็เกิดสงฆ์ข้อคนนั้นสงฆ์ข้อคนนี้กับป๊าอย่างนี้อันนัพวกไม่อารติจะเข้ามาคือไม่ยินดีในเสนาสนะอันสังัดนั่นคืออารติเพราะฉะนั้นก็เราว่าต้องหาความสุขจากสิ่งเหล่านั้นให้ได้หาความเอิบอิ่มใจในการหลีกเล่นให้ได้เหมือนกันใช่ไอันนี้เรียกว่าปรามโมท น, น, นี่เป็นกุศลที่จะต้องบริหารก่อนที่จะได้ฌาน ถ้าพื้นฐานไม่สามารถบริหารจิตให้เป็นไปกับกุศลละธรรมเหล่านี้นะก็ว่าไม่ใช่ฐานนะที่จ ะ, จะเจริญฌานก็ได้เนี่ยนะไม่ใช่ฌานนะเพราะ น, น, นี่คือผู้ที่จะบริหารจิตเพื่อที่จะรองรับคุณธรรมคือฌานต่อไปเนี่ยนะันก็น่าคิดนะอุปจาระฌานเจ็ดเนี่ยนะทั้งๆที่อัธยาศัยมีแล้วอัธยาศัยพวกนี้มีแต่อันนี้ต้องมาจเจริญขึ้นให้เป็น ปกติเลยนะต้องทําให้เป็นปกติพอได้อย่างนี้ก็เจริญเนี่ยนะแก้แก้ความคิดทั่ ว, วไปหมายว่ามีปัญหาเรื่องนี้ก็แก้เรื่องนี้ปีปัญหาเรื่องนี้แก้เรื่องนี้เพราะว่าแก้ปัญหาเฉพาะเฉพาะหน้าในในทุกๆความคิดเนี่ยนะเช่นหมกมุ่นคิดเรื่องการเอาเนื้อขมะยังไงมาคิดให้มันออกจากสิ่งนั้นนึกโกรธใครเนี่ยนะแก้ยังไงไม่โกรธอ่าเช่น ความง้อเข่าในสิ่งนั้นนั้นอ่ะแกยังไงให้ฉลาดหรือทีน่มิท่าง่วงนอนขึ้นมาเนี่ยแก้ยังไงไม่ให้ง่ว ง, นะงนนเนี่ยนะหรือว่าฟุ้งซ่านรําคาญเนี่ยแก้ยังไงไม่ให้ฟุง้งเนี่ยนะหรือสงสัยขึ้นมาเนี่ยแก้ยังไงไม่ให้มันสงสัยหรือนึกนึกอ้ยซักเซ็งละกุศลไม่เจริญละเนี่ยนะแก้ยังไงให้ให้เจริญกุศลได้ต่อไปต่อไปนั้นอันนี้ต้องหมั่นมาบริหารกุศลเหล่านี้ให้อันนี้ถือว่า ถ้าเป็นอาหารก็เหมือนกับอาหารหลักหหมู่ที่จะต้องมาหล่อเลี้ยงชีวิตอยู่ธรรมดาเนี่ยน ะ, ะบริหารบำรุงร่างกายต่อไปทีนี้พอได้อย่างนี้แล้วนั่นไงคือแก้แก้แก้แก้แกอกุศลได้ทุกทุกขั้นตอนเลยนะอันนี้ทั่วๆไปเนี่ยอาศัยความเป็นพหูสูตรมาช่วยถือถ้าต้องเป็นพหูสูตรเป็นผู้ที่คงแก่เรียนมากจึงจะแก้อาคุรสนจิตหรืออกคุรสวิตกได้นั่นไง ไม่มีใครสงสัยนะผ่านรวดเดียวคุณชมก็ไปนั่งกลไม่ถามนะทีนี้พอได้อย่างนี้เข้าก็มาศึกษาเรื่องจริตจริตตัวเองนะเนะ ในว่าโดยโ ย, โ ย, โยโ่อๆรวมๆก็เจริญหเจริหซึ่งประกอบไปด้วยหนึ่งราคะเจริตสองโทสะเจริสโมหะเจริตสีก็ศัทธาเจริอ่วิตกไกป น, นะเอาแค่เอาพวกไม่ค่อยดียวไว้ใกล้ๆกันกันวิตกเจริตศัทธาเจริตพุทธิเจริต เวลาวันหาเจอยังจริตไหนมีหลายอย่างรวมกันอ๋อถ้าเจอเขาบอกว่าราคาจริตเนี่ยนะโดยมากคิดถึงของงามงามไหมพวกนี้คิดถึงสุภาษณิมิตโทสะจริเห็นอะไรก็เรียกว่าปฏิฆานิมิตไปหมดใช่โมหะก็เบรกขาคือไม่สนใจอะไรสักอย่างเลยนี่ตกจริตพวกนี้ก็คิดมากศรัทธาจริตก็เลื่อมใส ส่วนผู้ที่จริญก็ฉลาดนิดหน่อยแสงว่าอย่างนี้คุณต้องเรียนมากแล้วละ่ะ <c oughs> ทีนี้เมื่อศึกษาจริตให้ให้เหมาะสมอย่างนี้เข้าเพื่ออะไร <c oughs> เพื่อจะได้เจริญกรรมฐานให้ <c oughs> อ่าให้ให้บริบูรณ์เนี่ยนะถ้าไม่เจริญกรรมฐานที่เหมาะกับจริต จ, จริงๆก็ยากถามว่าจริตเหล่านี้มันเกิดจากอะไร